มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวักรัะปฏิสังเวทีปัญหาที่เจ็ดถามว่า บุคคลที่ปราศจากราคะกับบุคคลที่ยังมีราคะมีเหตุต่างกันอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคษเสน่าแต่พระนาคะเสนผู้ปรีชาอนาบุคคลสองจำพวกบุคคลผู้หนึ่งเป็นวีตาราคะบุคคลผู้หนึ่งเป็นอวีตาราคะคนสองจำพวกนี้ มีเหตุต่างๆกันไม่เหมือนกันหรือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาไปก่อนพระน่าเกษรถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบวชพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสิริมหายสวรรค์บุคคลที่เป็นอวีตราคะมีราคะไม่ได้ปราศจากสันดานนั้นเป็นอัจโชสิโตบุคคลที่เป็นวีตราคะ มีราคาอันปราศจากสันดานนั้นเป็นอนัตโชสิโตพระเจ้ากรุงมิลินเป็นกษัตริย์ตรัสถามว่าที่เป็นอนัชโชสิโตอย่างไรที่เป็นอนัตโชสิโตอย่างไรนิมนต์วิสัชนาไปก่อนพระนาคเษนก็ถวายพระพ ร, พรว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ผ่านพิภพมหายสวรรค์ที่เป็นอนัชโชสิโตนั้นอัตติโกยังมีประโยชน์อยู่ ที่เป็นอนัตโชสิตนั้นมิได้มีประโยชน์ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมเข้าใจแล้วที่ท่านมีราคาขาดจากสันดานนั้นโสดไม่มีประโยชน์ยินดีที่ท่านยังมีราคะไม่ได้ขาดนั้นโสดมีประโยชน์ยินดีก็โยมเห็นว่าคนสองจำพวกนี้ บริโภคโภชนอาหารขนมของกินอยู่เหมือนกันที่ยินดีก็ฉันที่ไม่ยินดีก็ฉันเหตุสิต่างกันชะไหนจึงเป็นเช่นนี้นิมนต์วิสัชนาให้ดีก่อนพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารคนสองจำพวกบริโภคอาหารเหมือนกันแลแต่ทว่าอารมณ์ต่างกันที่เป็นอวีตราคะนั้น มีความกำหนัดยินดีในรสอันอร่อยอยากกินที่รสอันดีที่ท่านไม่มีราคานั้นมีอารมณ์ไม่ได้ผูกพันในรสว่าดีและชั่วฉันพอประทังตัวที่จะได้รักษาพรหมจรรย์ขอถวายพระพรครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังก็โสมนาตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควร รัศปฏิสังเวทีปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้